เหมดีวะไหมเหนื่อยไหมง่วงไหมว <c oughs> างเงินแดง <c oughs> ต้องทำก็เพื่อให้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติที่เรามีความมุ่งหมาย เข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวนไะม่ได้ <c oughs> คืนฐานเป็นสิ่งที่สาคัญมากมันประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาแยกประกอบไปด้วยบุคคลแยกประกอบไปด้วยธรรมะการฟังธรรม ต้องเรื่องสถานที่เป็นอยู่ในวัดแล้วนี่ยมันมีความสงบมีในป่ามีความสงบเ <c oughs> มื่อพูดอะไรออกไปก็ได้ยินขนาดใร้่ <c oughs> นั่นในสถานที่มันสมควรสถานที่ในสมควรนคนร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเล่นอะไรก็เล่นุ่น ว, วายมีมทะเางั น, น หลวงพ่อย ไ, ไปงานมงคลไม่ใช่งานมงคลแต่า ง, งานอ่ะมงคลครับเข้าไปก็อยากจะากฟังเทศรับศีลแต่เขาไม่สนใจในศีลไมเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าขเขกินทัน้งหลายว่าอย่างไปมุนพระไปเทศตรงนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสถานที่นั่นต็ไม่สมควรร้านนั่นก็ไม่สมควร บุคคลนั่นตรงไหตรงควรไม่ควรที่จะวางธรรมะเทศนาในตรงนั้นการฟังธรรมะให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดเราเป็นผู้ฟังฟังไปเถอฟังไปเดียวเอาไปจิจารณา อย่าพึ่งหายใจว่ามันถูกแน่นอนเราอย่าพึ่งหาใจว่ามันผิดในความฟังไว้เอาไปกลองซะ ก, ก่อนกรันซะก่อนคือเอาไปภาวานาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวานากันในภาษ า, ษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจารณาการพิจารณามาเข้าถึงธรรมะ ท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาก็คือการปีจรารณาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูดในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันกานรปีจารณา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 โดยปกติเรา ต, ต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะ อ, ะอาดมายอมสีนั่นจะเอาสีอะไรใส่ที่เราชอบมันก็กินไม่ใช่ว่าไปบ้านไปบ้านเจ็๊ไปเห็นสีก็สวยแล้วก็ชอบสีเขาแกจะามาย้อมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้ฟอก ไม่ได้พัดไม่อามายอมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยพื้นที่มันไม่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปรียบอย่างนั้น <c oughs> การที่เราจะเข้าสู่ดับธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทําใจให้สะอาดดูพื้นฐานของมันอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อวันนี้ให้ให้ใหธรรมทานถึงนี่ย มีสมาทานถึงแบบถึงพระรัตนตรายก่อนแบบสมาทานถึงคือท่า น, นถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพ ร, ระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริททรรจ ง, งก็คือธรรมะอยากพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามธรรมะที่พระศาสดารู้แน่ว่าเป็นความจริงนั้นเรียกว่าเป็นผสมนั่งอยู่แค่แถวนี่ก็เป็นผสมได้ตรงนี้นหมาย เ, เชื่อเชแฝงตัวหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของท่านตามความจริงนั้นี่มนันเป็นผสมผู้ติดตามเรียกว่าพา ร, ราชนเตรคือประพจนธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพสงฆ์หนึ่ง นี่พระพุทธเจ้าของเราต้องการต้องให้รู้เส ก, ก่อนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งขัวอะไรอะไรทั้งนั้นพูดถึงที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้ดูเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ว่าก็าให้เคารพ บ, บูชาพ่อแม่ของเราแต่อย่ายิ่งไปขัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะ คือพ่อแม่ของเราเท่านนี้มีความเห็นผิดที่มากเลยเมื่สี่กุจูงเราเข้าไปในป่าเราจะทำอะไรแต่เราเชื่อแต่ไม่ให้จนกว่ายิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราอืมไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เดียวกับท่านในพระรืม พัฒนาใจประพุทธธรรมประสงค์พูดง่ายงายสะพดก็ดีพระพรนปรีประสงก็ดีนั้น<ม>ยิ่งเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงองน่นันทา่านจงหเชื่อนความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดกัาง่ายว่าท่านว่าหาเชื่อรรมใการกระทำของเรา เราจะทำทางกายทางวาจาจิตอะไรที่มันปราชจากโทษทั้งหมดเราก็ทำไปกรรมกรรมเป็นใหญ่ในที่กรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกหน้าอัศจรรย์ก็มีหน้าเรียมใส่ก็มีหน้าอะไรต่งตางๆก็มีแต่ละสัดอย่างอันนั้นเป็นเป็นอิทธิฤทธ เป็นมหาจัจจ์อะไรต่งางๆหลายอย่างอย่างไรก็ตามมันเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านว่ากรรมเป็นแดนเกิกรรมเป็นเผ่าพันอุ์ของเรากรรมเป็นที่ขึ้นที่อาศัยพุทธการจะทําจะทําทางกายก็เรียกว่ากรรมจะทํา ท, ทางวาจาเรียกว่าจีกรรมจะทํา ท, ทางใจก็เรียกว่ามโนกรร ม, มกรรมคือการกระทำํำ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 บางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้จมันเป็นอะไรหไหมมแนไปค้นหาตัวจริงมั้ล้ะใช่อย่างนี้เป็นต้นหมอกดทายให้ปีนี้เราบังนะไปรถก็ให้ราบังไปเรือก็ให้ระบังเราบังอุบัติเหตุนะเพราะเรานั่งฟันั็เลยเป็นเคราะเลยระวัง อย่างนี้ที่คนไม่เชื่อมั่นในกรรมกลัวตัวจะเป็นอย่างโน้นตัวจะไปเป็นอย่างนี้าระขั้นอย่างตัวอย่างอีกที่คือไม่เชื่อมั่นในผลพระพุทธธรรมผสมของเรามาเราทําดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วกระทาเราดีแล้วมันจะเป็นยังไงก็ครอบกรรมเท่าทนันจะไม่เชื่อมัน่นที่จะปลูกบ้านที่จะออกเดินทางเนี่ย จะเดินทางวันไหนมันดีอย่างเรามากันไม่ได้ไปหาหมอมเลยมัน mm. นะบางคนก็ต้องไปดูจะเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดีวเราไม่เชื่อมั่นในสุประพุทธประทำประสงเลยต้องไปเชื่อหมอบางทีหมอเขาเอ้ยคุณจะไปเลยไม่ดีสักเร่ตับบ้าดีนะอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคในพระัชนตรส้ไม่มีอะไรจะมาทําให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นเนอืยแทนจะปลูกบ้านอย่างนี้ก็ตามจะไปที่นันนี่อันนี้ก็ตามไปอย่างข้อพรนนัตนาตามม่อยู่บนอืมเขาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปจะอุดรไปที่ไหนต้องเข้ามาหาข้็เดินทางวันนี้มันดี ถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเนี่ย <c oughs> ถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันเดยมากราการจะโยกจ้ายจะต้องเลี้ยงกันต้องกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเลยนะแล้วรถมันจะปตกดถน น, น, ามามนไม่ระวังรถไฟเไ ป, ไปที่เราทําอะไรดีดีแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการกระทําของเรามันจะมีคํา อันอื่นจะมาทําให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้น่นัึงให้เชื่อประคดประทําไปตระสงเราต้องเชื่อมั่นใมีความเชื่อนี้เี่ออย่างการกระทธรรมของเรานี้เรากวรเชื่อในการกระทําของขานอืนว่าเราจะต้องทํอย่านี้อย่างนั้นจึงไม่ให้มีความสงสัยในการกระทําของเราเกี่ยวกับทิฏฐิจตนาใ่อะ อย่าถือมองคลตื่นพาวถืออยถือมองคลตื่นพามงคลอย่ามงคลตื่นพา ว, ม, ม, ม, พาวนะมันเป็นอามงคลเขา ว, ว่ามันเป็นอย่างนั้นเขา ว, ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ละพัฒนาก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปเ็ น, เนันเปาทั้ท ง, ง, งนั้นทาเครีย่มีเรื่องิงเพิ่มเพิมไปกันดูหลายๆอย่าง บางทีก็ไปเอาน้ําจากนั่นมาน้ำทิดเกิดจากที่นโน่ไปหากันวันเลยวุ่นน้ำไม่สะอาดจนเป็นเลนอยู่บางทิเอ า, อางไงล่ะนีมน่มันตื่นเต้ น, ตนตืนไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นคนนิ่งอยู่โดยปัญญาของเราอย่างนึ้ว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่งังไนอันนี้มันจะเป็นเรื่องนี้ขอฟังไว้ก่อน การทําจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียดถ่ายนั่นจึงนเราให้เชื่อมัน่นในคุณประพจท์ในคุณพระธรรมในคุณประสงค์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพรนัใจก็ลังเลสงสัยไม่ไม่ได้จากความจริงไม่รู้จะเอาอะไร ดังนั้นการทำธรรมฐานนี้พระราจารยพระอาจารย์นรเป็นมาตฐานเป็นที่พึ่งของเรา<ม>ทำใจให้แน่แน่วใครจะว่าเป็นอะไรกนสั่งสายอะไ่เราทำดีเท่านั้นมไม่ต้องสงสยัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินไปเรื่อยไป คนสงสัยก็กลับมาเราก็กลับไปกลับไปก็กลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเดียวว่าคนสงสัยันเราสมัชชาถิ่นกันมันี่เห็นไหมถินมันดีมั้คลองลองคิดดูสิต้องคิดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราข้าข้างใครเนอการไม่เียดเียนตนไม่เดียดเียนคนไม่เียดเียนัตร์มันดีมั้งให้เราคิดอืมว่า ทนอนวับป า, านาอัจจนาไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่สมน์ของคนอื่นนี่มันดีไหมแตคิดแค่นี้ก็รู้ที่มีครอบมีคัวแล้วนะอ ย, อยู่ในวงจํากัดของเรามันดีไหมหรืออยู่ยนอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลของง่ายๆแต่เราไม่เคยจะคิด มุสานี่ไอการโพูดโกหกเนี่ยมันจะดีไหมไอคิดเนี่มันเป็นชื่อนะให้เข้าทางธรรม ะ, ะ เ, าาเนี่ยไปเข้าฟังเราเอาแค่ๆกังนง่ายนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากตัวที่ห้าก็คือตัวไอเครื่องเงินเมา ไ, มไอคนที่ปราศจากเครื่องเงินเมาเนี่ยมันดีไหมอย่าเข้าฟัางจนะคลองเนี่ย นี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าว่าใครมีอคุณสมบัติทั้งห้าประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครท่า น, นเป็นอะไรไม่ต้องไปถามใครอย่างพระสงฆ์เนยสุปฏิปโนอุสุปฏิปโนญาญาปฏิปโนสามีจกิปฏิปโนสุปฏิปโนคือท่านปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจมีเป็นคุณสมบัติของท่าน S 1> <S 1> เป็นคนในสมบัติของประสง์แกเรียกประสง์อุชุปติปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนละแล้วเทนั้นอันนี้เป็นคนในสมบัติของประสง์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุ ป, ปฏิปโนอุชุ ป, ปฏิปโนยายะปติปโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรม ถ้าหาว่ามันเป็นสรจธรรมแนี่นอนแล้วใครจะบ่าดีก็สั่งใครใครจะบ่ชั่วก็สั่งเอะเราตรงของเราไปดืาีปฏิบัติเฮ้ยท่านอยาไปทเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ก็หันกลมาหาใคอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นสาธุทีปฏิัตนปิบัติุเอาศีลสมาธิปัญญาคาสอนของพระเราเป็นใหญ่ซคุณสมบัติของพระ สงืมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทาั้งหลายสมันกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนอจะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูคืนถามดดก่อนไม่ได้ยอมผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีแล้วนี่ต้องไม่อยอนนอาเรื่องพระพักตรอืมใ เรื่องสระภ า, ายในใจต้องมีคสนสมบัติอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติการทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างนในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติจะไปพบหลายแห่งไปพบอาจารย์นี่อาารบอกให้ทาอย่างนั้น ไปพบอาจารย์แมาา่งไปเข้าปราอย่างนี้ได้ยุ่งตลอดเวลาเลยคือ <Okay. S 1> ไม่เชื่อมั่นเลยในใจบางทีก็ทํามรมฐ า, านสรรมฐ า, านอย่างน้อยมีไปสี่สิบข้ออารมณ์กรรมฐ า, านเก็ไปเรียนกันมันหลาจนไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกคุณโทคุโ ท, โทึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบ ก็ต้อ ง, งดึงงินดืนมาทำอยู่ห้ายหลยอย่างตลอดคืนเอานู้นบังเอานี่บงับงนี่บุ่นวายต่อเปลไดยเลิกกันเ่อเาไม่ได้เรื่องแต่นี่เ็นที่นี่เรา่องทรรมฐานของเรานี่เรามีพื้นเธอดีแล้วโด้ทำจิตให้มันสน็กโดยมากแตเรามีทัศาคติเราก็มีศีลห้าประการถ้ามันจิตพาพไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมา ความรู้สึกนึกคิดอยู่ในแนวอันนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติทำมาเรื่องเช่นนี้นี่เป็นขั้นถามที่เดียวว่าพัฒนาใจเป็นที่สิ้นของเราเป็นที่อาศัยของเร า, เ า, เราทีนี้ตามมาทำกรรมฐานนี่ก็า ม, มาทำความเข้าใักันสักหน่อยารทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหม Iner, galaxies, แ player, ันวมีก็สอนเรื่องมายธรรมกรรมฐานทำใจของเราฝ้าหาจิตของเรามันสุดจิตมันนเองและไม่ใช่อินแล้วเคยดูใจจิตของเราไหมนะทำไมถึงจะสุดของมันจิตทันมถึงจะสุดไหมจิตของเรานี้เกิดสมาล่ะจิตในเซลล์จิตยังในเซ้ล์สุดจิตของเราตามใจของมัน มันโมโหก็ปล่อยตามใจข้ามันมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องเขอามันยิงแล้วยิงยื่งเราเป็นประโยชนเกิดมาเป็นลูกของทอของเมียทอแเมียยิงแล้ยิงปล่อยตามใจเองไปเลยโน่นมันจะสุดไม่เคยสุดกิตของเราไม่รู้จักการสิดกิตของเราทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อตามสิดกิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นเป็นส่วนใหญ่ของมันจะทำอย่างนี้เรื่องว่าการปฏิบัติธรรม พูดง่ายๆเดียวปฏิบัติธรรมสี่เรามาเนี่เดี๋ยวม า, มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาสิดกิจของเราเใจของเราเนี่มันนอนอมันอยากจะให้มันเร็ไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากจะให้มันเร็เร็วกว่สิ่งทั้งหลายทั้งนั้นจะทำอะไรที่สุด ดังนั้การทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่คสงบ ก, กันไอ้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแหละมันจะไม่สงบที่เราค่งให้มันตึงเครียดไอ้ความสงบที่มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางาเรา่งตึงเครียดเมื่อไรเป็นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั็นจะื่วุ่นวาย คือความสงบภายในจิตเช่นดูอย่างพระอนุนใครดูไมประวัติของพระอนนพระอนนนันท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆเราไม่รู้จักใจตรงไห น, นอันนี้มันจดีนั่นจะดีจะอันนี้จะดีนจะโดยดูสะท้อคืนตรงนั้นแกไมเป็นรรดูตรงนั้นแกความสงสัยก็ยังมีทานนั้นแเดงว่าคิดไหว อตอนเช้าุ่วงนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์เป็นคำสั น, น, น, นาจะพระอนุทง์ด้วยะระ อ, น, อ, น, อนุัะอ น, อ, น, นอยู่ก็ร้อนใจมีคุณญาตินน่วยก็เ่จนที่เลยอยากไปเป็นพระอรหรันต์ย่นคำไปก็ยื่นไปกันใหญ่เล ย, ยเรื่อยๆเลยจนจะสว่างเลยน แ, ลแล น, นอเอย่เราเนี่มันมันมันเป็เชือ่อเินไปมั้ย ไอเหนื่อยก็เหนื่อยไอง่วงก็ง่วงแต่ไปพักก่อนพักก่อนพักระยะเงมนาะวังนไว้ตกใไม่ทำอะไรเลยพอทานทอดอะไรคลุกขนาดนเอ็ยอยนตาเวางมีความรู้อันเดียวขนาดนี้คลบกเมื่อจิดมันวางพึุกขนานั้นเละมันเลยคีย่สินนเดียวพระอนุสาตพระดูในเวลาในเวลาที่วางเ น, นี่ต้องลองดูที่พวกเราไปนั่งกรรมฐาน ดัดฟันไปดูดีสิเอาเถอะโอ้เป็ตายเป็นตายลองๆดูเถอะลองดูไอความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั่นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้ก็ได้กลับไปว่าดลองดูก็ได้ถัดจะมาที่ขึ้นยันเลยอากาศฟันตายเป็นตายโอ้ยเหนี่ยมันไหลลงด้านนั้นเลยไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสงบมันอยู่ที่มันพอดีพอดี มันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีดีขนาดไหนก็ให้มันพอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกนี่เข้าใจอย่างนั้นเราเป็นคนเอาการหามันเร่งต้องทำต้องทําำอย่างเขียดขาต้องทําำอย่างเขียดขาเองเนี่ยนั่น มันกลับกันไปลองดูลองงๆลองๆกัไม่มีไม่มีทางเลยรุนตลอดเดินาเมื่อเรากำหนดไปอารมณ์เรื่องสมาธินี่มันอยู่เรืยอารมณ์มันต้มีอารมณ์อารมณ์หลายอย่างคืออารมณ์นี้คืออารมนี้คือมีอารมณ์อันเดียวอย่างเราจะดูอาดูลมหายใจเข้าไปมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่ออารมณ์ออ เราอยู่ในโลกที่มันหลายอารมณ์เต็มไปเดี๋ยวอันโน้นไม่จบเดีวอวันนี้ไม่จบวื่นวหยจิตใจฉันไม่ค่อยสงบทีนี้พระธรรมมันมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่เรืยอารมณ์ฉันก็เอาอารมณ์มันเล่นจะให้เล่นอารมณ์มาเดี่ยเรี่ยวเท่นี้เดินกระนาษเดินมาเดียอย่าไปเดินโขนอย่าไปเดิอนในนิ้วอย่าไเดินเท่านี้อย่างอารมณ์ที่เราจะมาถามฉันจะให้อารมณ์หายใจเั้ง เป็นอารมณ์งของกรรมฐานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> เราจะเข้าใจว่าเข้าไปมันพุทธออกมันโทก็ได้่างนี้พุโทโธพุโทโธหรือหากว่าเราจะไม่จําได้บอกว่าโทก็ได้ถ้าเข้ามันจะพุทเองมันแบบออกมันจะโทเองมันให้มันออกอย่างนั้นได้ความว่าเราจะดูอาจารย์ของลมมันเข้าเราก็รู้จัก มันออกเราก็รู้จักนี่คือเป็นเป็นผู้รู้แต่แล้วมันเข้าแล้วก็รู้มันออกเราก็รู้ควรู้นี่แหละมันเป็นผู้ถูกอยู่แล้วไม่ต้องพุดไม่ต้องโตไม่ต้องบ่กพุดไม่ต้องบอโตก็จะขีดเยียบ้ายไปเล้นะเข้าใจไมนี่คือมันขีดคินั้นเกี่อมันเข้ามันก็พูดออกมันก็โตอยู่มันเป็นอย่ข้างบนดูเราเข้าใจว่าประเทอันหนึ่เนี่ยยุคหนอทองหนอ อย่างนี้อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เราไม่ว่ายกหน่อทองหนอเราหายใจเข้าใจออกมันจะยกเองมันเนาะมันก็คองเองมันไม่ต้องไปว่ายกบ่าพ้องมันที่ว่ายกบ่าคองที่หายออกเสียงแค่หน่อยมันตั้งใจขึ้นหน่อยใความจรมันยกเองมันได้หายใจอยู่ไหมหายใจเข้ามันพององเด็กหายใจออกมันยกใมมันเป็นในตัวของมันอยู่แล้ว ใช่ไหมจะอายุด์หนอฟองหนอมาเสรสติให้มันัดสบายกันหนไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์รวมแล้วก็เข้ากรู้ออกกระู้เนี่ยที่เราทำกรรมฐานสิดนี้น่ะไม่ต้องให้รู้อะไรให้มันรู้รมมันออกแล้วมันเข้าตามสบายมันจะอยู่ต่งนี้คิดอะไรมากมายอย่าไปคิดแเมื่อไ้หนอมันจะเกิดมันนั่นเนื่อไรหนอมันจะเกิดมันนี้อะไรจะดวาจาเลยนั่งไมนรู้จับรูเข้ารูออกสบาย เรามันรู้ชัดจะพยายามตั้งสติขึ้นไว้เพราะนั้นชัดแล้วมันเข้ า, ลลล า, า, กกาแล้วมันออกมันชัดแล้วละัดเรียดร้อยไม่มีริมารมณ์เยียดจ่อรถับอารมณ์นั้นจนใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเห็ด่อยเหนื่อยมันเด็นชัดตรงนั้นอือไม่มีง่วงอือถ้าเราไม่มีง่วงเราก็รู้ตามความจริงของมัน ถ้าคมีง่วงมันทีะดับตาเพิ่มไปอีกอ้าวมีอะไรกัน่รู้แสงอะไรมา่านกันในทุกอันนี้คืออะไรรู้วายตลอดเวลาอยากไปหมายถึงอันนั้นนี่ดยเราทำนิษของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนเลยใครรู้จักไหมจิตของเราอยู่ยังไงนี่เนาะคนจะสึกจิตควรรู้ไหมว่าจิตมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนี่มีมี้องจ้องจ้ง้องใจาก่อนถ้าคนจะสึกจิตต้องรู้จักจิตของจ้าของ ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันเป็นแค่นี้เนียนะแต่เราไม่ได้จั ก, กันถ้ามันวายมาันต้าจิตระวนวายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะจความวายของมันเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะจึกจิตเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรทีจะรู้มันเนี่ยนี่ถ้าเราพูดให้มันชัด่อไปเนี่ย จิตนี้มันก็ไม่ใช่อะไรนะดิฉันว่ามันคืออะไรไม่จิตเนี่ยอือจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่ใช่อะไรวารรู้มันก็เป็นการรู้ของมันนี่ถ้าเอาชื่อจิตมาทราบข้าไปได้หลงรู้มันก็เป็นรู้จิตมันคืออะไรเนาะแล้วมันคิดเกินไปใช่ ยังนั้นเราพอสางง่ายเยวไอคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละใจงั้นนะง่ายบางนะทีจะไปนค้นนะจเ็ปวดหัวไม่รู้รอนันอยู่ตรงไหนไอคนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสาระอย่อางคนที่รับรู้อารมณ์นจาสมมติว่าผูร้รู้แต่จรับผูร้รู้จริงๆก็ไม่ได้ เพราะมันมีผู้หลวงมาบนเตมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้จริงๆเดี๋ยวก็พุทธโธแล้วเป็นต้นมนนิทุกคือจิตที่ติดร้ามันรู้จริงๆเนี้เป็นชุบโธมันรู้อารมณ์อันนี้เรามีหมายถึงความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็ทิ้งให้ใจอ่อมันรู้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่ตึดไม่ได้อบรมทีนี้เราความรู้สึกมาอบรม ถูกให้มันดูเท้าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมานะ่ดูเรื่องของมันจนกว่าที่จิตมันสงบเมื่อจิตสงบลงไปพักหนึ่งนะเราจะเท่งให้มันไปมันไม่ไปแล้วมันเสียวไปน็ครับมันไม่ไปแล้วใช่ไหมนนั้นเนี่ยสมาธิสงบความสงบนั่นแต่เรียกว่าเราก็ไปบสถ์ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญญาหละยังไม่มีปัญญาอะไรตรงนั้นเนี่ยพอไปสงบอยู่ชั้น สบายถ้ยย่เห็ยงนั้นอย่างอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมาทานนี้เข้าไปให้สงบเถอทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็ได้ความสงบอย่างนั้นมันเป็นวางครงไม่แน่นอนนะนี่นะไม่แน่นอนนานๆจะได้เป็นทีหนึ่งบางทีวันนี้มันสงบแล้พวพรุ่งนี้ไปทําไม่สงบอีกเราพอเปลี่ยนใจหรนอไม่ โมลามันทำไมสีปนวันนี้ทไมในเรื่องในวิเป็นอะไรต่อไปไปะคุกมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ความสงบตอนนี้ให้ดูเรื่องแต่ว่าไอ้ความสงบตอนนี้เป็นเป็นความสงบที่ไม่เน่นออย่างอย่างหูเราก็มีอยู่เครื่องรับมีอยู่แต่แต่ที่ไม่มีไม่มีใครมาพูดให้เราได้ยินเหมันเมื่อดาเราได้ยินไม่สบายนนความโวดไม่ดีใช่ไหเนี่ย อีกวันหนึ่งเขาเาเรื่องอื่นมายัดกัไปอีก่ที่มันขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่มันอยู่อย่างนี้ไอ้ความสงบเดียวนี้คือความสงบที่มันปราศจากอารมณ์มันก็สงบเลยต่อเมื่อมีอารมณ์มาพัวพันทุบเป็นปัจจัยแล้วเป็นต้นโติขึ้นมาเลยเกิดดีใจขึ้นมาเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาวุ่นวายในมานเราเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยมั้งความสงบนี้เพราะว่ามันไม่ขาดสงบนี้เพราะ อไอ้ความสงบเรื่องสมถะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญาความสงบเฉยนี่สงบเพราะไม่เห็นอะไรตาไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรอะไรนี่มันก็สงบเฉยนี่เป็นแบบนี้ก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงทั้งมันมันสงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้ยินเพราะว่าอะไรเพราะฉนั้นน่ะมันก็ได้สงบ เหมนใบไม้อยู่บนไม้ไม่มีลมมาพัดไปมามันไม่กมันก็สงบเฉยนะถ้าลมาพัดตงกวดแสงจิตขนาดนั้นเหมือนกันกับใบไม้อยู่ในต้นไม้นเมื่อมีลมมา้กวดแสงเมื่อมีลมนี้มันนิ่งขนาดนั้นนี่อันนี้มันมีอย่างหนึ่งอยู่ที่เรืองความสงบนั้นมันมีอายุสั้นมากที่ความสงบเป็นแล้วความมเพราะอะไรอาศัยอารมณ์ที่เรจดจ่อกาหนดตรงนี้สงบที่ี่ นี่ทันเรียกชก่ะสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสกิเลสอยู่ในบ่านเยอะแต่มันสงบจิตช่วสั้นอันนี้เป็นท่อนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอันนี้เป็นสมาชาติสมฐานสงบจิตทีนี้เมื่อมีความสงบเช่นนี้เนี่ยไอ้สติมันค่อยๆมีเกินมาดีกว่าที่เราไม่ทํที่าเคยสงบแล้วกิเ็นอารมณ์ัดต่อไปจะต้องสร้างปัญญาให้เกิด สร้างยิ่พัฒนาให้เกิดให้มันแจ้งกันมอมนี่ความสงบที่ไม่มีใครไม่มีไ ม, มไม่ได้ไม่ได้ยินใครว่ามากกว่าถ้านเป็น ใ, ใครว่าเขาวุาว่นวายเสมาต่อไปนี้เราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปอยู่หรือหูได้ยินเสียงอยู่เป็นต้นฉันจะให้มันมีความสงบคือทําจิตให้มันรู้ขึ้นมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เรื่องเป็นมากกว่านั้นความสงบสงบด้วยปัญญามันรู้ชัดด้วยปัญญานี้ นี่คนั้นแต่ต้องต้องหอเลี้ยงปัญญาใ น, ออนิซะก่อนอะไรจะทำปัญญามันจะให้อาหารมันเเลี้ยงปัญญาในจิตเหมือนเาให้น้มันมาโตขึ้นทปัญญาให้เกิดมันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันเหมือนสมชาปัญญาก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่สมชาณั้นจะจะอาศัยพวกปุถุปุถุรียนนาปานสติให้เกิดได้ แปลว่าอาหารของปัญญานี้ไม่ใช่อันนั้นอีกเปลี่ยนอาหารในมันเมื่ออารมณ์มันมาถูกไปเมื่อนั้นมันสงบแล้วเป็นพื้นฐานเป็นในพจน์เป็นกันเอกันแล้วต่อนี่ไปแจ้งว่าให้จิตเราเป็นทุกข์แหกุ้งตามความเป็นจริงนั้นจะต้องเปลี่ยนอาหารในมันเลี้ยงมันซะยืนอยู่กับที่เก่าของมันอะมันมีความสะงบอยู่แล้วเป็นพื้นเมื่ออารมณ์จะมาเกิดจนมาอย่างนี้เราก็ชี้ให้มันบอกมัน อันนี้มันมีเที่ยงมันจะชอบขนาดไหนตัวเองอันนี้มันไม่เที่ยงมันจะไม่ชอบขนาดไหนตัวจะวิ่งตางอันนี้มันไม่เที่ยงบอกแค่นี้แหละมันก็โตแล้วอืมมันโตขึ้นมาฮะทาไมมันถึงโตทําไมมันจะรู้จักมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงตามที่เราพิจารณาอยู่นั้นแหละอืมอาการจีบขนงเราผู้ที่รับอารมณ์นั้นไอ้ความจริงผู้ที่รับอารมณ์เราไปเชื่อเกินไปใช่ไ อันนี้เขาว่าดีไปตะคุบเลยมันกันดเราเอาใช่ไหมอันนี้ว่าไม่ดีก็ไปตะคุบมันมันกันดเราทางนั้น ด, ดีมันก็กัดเดาไม่ดีก็กัดเราทางนั้นแหละถ้าเราบอกว่าเราไม่ตะคุบมันเกิดไปมาเอออันนี้มันไม่แน <lessons S> ่ไม่ตะคุบมันมันไม่กัดดูไปดูไปดูไปอยู่้ดิด้ดเออมันก็มองดูข้างหน้าทางนั้นก็เห็นว่าอันนี้มันแน่แน่ไม่กัดมันแน่แนมันไม่เที่ยงมันแน ing, ่แน่นอนสักอย่างหนึ่ง เมื่อเราเห็นทาตนินี้น่ะอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ในความยึดอุปทานอนุน้อยเข้ามาน้อยเขมาน้อยเขมาเป็นเรื่องธรรมดาจินตาธรรมดาเป็นรู้ธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาจักใจว่ามันชอบจักใจว่ามันไม่ชอบจักใจว่ามันทุกข์จักใจว่ามันสุขจักใจว่าเท่านั้นเอง มันก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วอารมณ์ของธรรมดาของเรานี่แต่เมื่อมันสงบแม่มันดีเรือเสื่อมมันนี้นะนี่เรีไปจับคุ้มันเต็มที่เลยพรุ่งนี้ไม่สงบอีกเลยโอ้วันนี้ตายทําไมมันจึงงี้น้อมันเฉี่ยมตรไหนน้อก็เลยวิ่งเหมันจะมา่ถูกน้ำร้อนใช่ไหมนี่ต้องอดทนอย่างนี้นี่มันยอดกันอย่างนี้อืที่เรียกว่าไอ ไอ้ไอ้ทปัจจานานมันก็คือความรู้ตามความเปจริงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่ก่อนผู้รับรู้อารมณ์มีความสําคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นบัดนี้จิตของเรานั่นะคือที่ผู้รับรู้อารมณ์นั่นมันรู้ใช่จริงจริงนะรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางเห็นไหมไม่ตะคุบมันมันกัดมันเข็ดละเมื่อดีมาฉันก็จะคบเมื่อไม่ดีมาฉันแต่ก็มันกัดันะ พอเห็นเช่นนี้ว่ามันไม่เพี่ยงกันในกัวมันก็ไม่แตกตัวอารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์สุกขก็สักว์ว่าสุขทุกข์ก็สักวว่าทุกข์ก็เป็นต้องมันอยู่อย่างนี้จิตมันเห็นเช่นนี้ปัญญามันเกิดเป็นปฏิธรรมตามความจริงแลบไม่มีการปล่อยวางในตัวก่อนอย่างนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้ยตัวถ้าเปเด็กวันนี้มันโตขึ้นมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนอาหารเนี่ยนะอย่างนี้อืมันอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าให้เราให้ชื่อมัน ปฏิบรรัติทำปฏิบรรัติทำอย่าไปแยกอะไรมันเลยทีนี้การอารมณ์ทางหลายต่งางๆที่เราทำกันนั่นนะบางคนก็เอาอยัางนี้บางคนก็เอาอยัางนั้นสาราพัดอย่างความเป็นจริงอะไรที่มันถูกจกดิตของเรานะนั่นแหละแต่ละคนัะคนมันมีจริษอยู่บางคนบางคนมีความโกรธง่าย เราเดินอยู่ก็หายใจอยู่เราจะนั่งก็หายใจอยู่ทีนี้เรานอนก็นหายใจอยู่นั่นแหละที่ไม่หายใจก็ตายไปแล้วใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเคาะเอาตรงไหนมากำหนดตรงนี้ก็ดูแลมัง่ายที่สุดแต่วันนี้แล้วเอาตรงไหนก็ได้นั่งทํางานอยู่ก็ดูได้พักงานก็มีอยู่อารมณ์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทําการ5ขันแปดเลยนมาวันวุ่นวายยกตรงนี้ขึ้นเป็นอารมณ์มันง่ายที่สุดแล้ว จะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอย่างเอราะบางสมบัติถูกจะดีตรง น, นี้มันก็ง่ายนี่มันก็สงบขึ้นอีกอะไรที่เรียกว่ามันไม่สงบนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่างพ่อเคยพูดนี่ยเขาว่าเราไปสอบวิฐาอันหนึ่งคือต้องเขียนปัญหาให้เราตอบ เราอ่านปัญหาไม่ได้เลยต่อไปถ่ายเด็แต่มันมีเถออยู่นั่นมันมีอยู่ถ้าแต่ถ้าเถอมันมีปัญหามันมีแล้วนี่เราแต่คนที่มันมันมีอยู่ไอ้ความพุ่งสร้างนำพานบุ่บวายมันมีอยู่ความโศกมันต้องมีอยู่มันไปที่ไหนครับเหมือนพระโคตรองท่านสอนท่านเรียนของท่านจะมีอะไรรล้วกันท่านปฏิบัติครั้งแรกจะมีอะไรเป็นตัวเรียนจำนาย ท่นมาพิจารณามนุษย์ความเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านว่าเออมันจะทําไงนาะมันมีมืดมันก็มีสว่างเนี่ยเนี่ยคราวนี้ธรรมดาธรรมดามันมีสว่างแล้วมันก็มีมืดมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายเพื่อมันมีเกิดแล้วไม่เกิดมันตรงนี้มันตัดท่นย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านไม่ไปรเรียนสัมผัสตรงไหนหรอกยําอยู่ตรงนี้แหละท่านจะ่ในท้อใจ เมื่อมันมีสว่างมันก็มีเมืดเมื่อมีมืดแต่ต้องมีสว่างท่านเห็นว่าความเกิดเนี่มันเป็นทุกข์หลายไอ้ความไม่เกิดจะไม่มีไหมเนาะไปยืนยันตรงไหนไม่ได้ท่านบอกม่มีอืมีได้มาจากไหนเพราะไอ้ความเกิดมันยังมีไอ้ความไม่เกิดมันก็ต้องมีเปนแม่เนี่ยเท่านี้แหละทำไปทําไปทําไปทําไปจึงเห็นชัดๆกันมากานเห็นความเกิอดอโอ้ไอ้ความทุกข์มันเกิอดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะมันเกิดเออท่านดูเรื่องของมันแสดงคืออุปทานความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาใเ่ไหมมันก็ปรุงแจ่งกันมาเป็นความเกิดขึ้นมาอืมมันต้องเกิดไอ้ความเกิดเกิดดิเกิดเพราะอุปทานอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันเป็นภพเป็นชาติอุปทานมาเกิดภพภพมาเกิดชาติอืมมันติดต่อกันไปเป็นไปจิตใจสมุปาจารธรรม ไอ้เนี่ยไอ้ความเกิดเนี่ยเพราะอะไรอุปทานอธรรมะยึดมันมันก็เหมือนการกับไอ้ต้นไม้ในสวนเรานะต้นลำไยต้นงอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมีอย่าของเรานะเราก็รู้มันอยูทุกวันเนนั่นเรลยกุปทานนี่เดินไปเดินมาต้นลาไยต้นไม้เป็นของเราอ่นีทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นครับ เราไปเห็นต้นลำไยต้นนั่นเราว็นึกวมันใส่ทังเรานีเรา เ, เ, รา เ, ราเรดินไปอีกวันหนึ่งนะเขามาตัดต้นลำไยอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็เมย์ติทุกข์หลายเพราะมันมาตัดของเราใช่ไหมมีเวื่อามันเกิเดเรื่องอีกต่อไปมันตัดต้นลำไยต้นดินดของเขานั่นเราก็เราก็ไม่ติดทุกข์เพราะไม่ใส่ลำไยของเราเนี่ยมัน ต, ตัดของเขาเนี่เท่านี้แหละมันทําให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมา ถ้าเามาตัดของเราจะเป็นทุกข์กันมาเพราะว่ามันจิตของเรามีอุปทานนี่เองมันเกิดแต่นี่เกิดนะนี่คือความเกิดมันเกิดตรงนี้เกิดทุขกันมาเกิดทุกข์กันมาอะไรตรงมาเกิดเพราะอุปทานนี่นี่คือนั้นแต่ใจชีจรนาจึ็นอุปทานให้เกิดชาให้เกิดพกพกใหเกิดชาชาเกิดฉลาพยาธิมรณะนีพระพุทธองค์ท่านจะเห็นตรานี้เห็นชัดตําธรรมไปได้เกิดเห็นความชัดแจ้งกันมาตรงนี้ ท่านก็หายตงซ้ายนี่เดีวอะเราฝึกจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือในตัวตนของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีจิตดวงนี้สาคัญมากถ้าจิตนี้มันหลงมันหลงไปหมดตามันก็หลงหัมันก็หลงมันห ล, ลงไปทั้งหมดนั่นแหละนี่ฉะนั้นท่านจึงบอกให้ฝึกจิตที่เราวบรเียวว่จิตจิตนี้พูดง่ายๆนะคือฟูตีรับรู้ อยู่ในอยู่ในบริเวณนี้นนี่คูณกี่กับรูกรับรู้นับรู้อารมณ์แต่รัรู้อารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่ดีมันก็ดีใจแฉ้มมันดีใจ ม, มันก็ยังเมกไม่ใช่ของมันอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ยังเสี้ยใจกจนไปอันนี้จิตนั้นด้วยัยงโอโงนี่นี่เรามาต้องการอันนี้แหละที่เรามทาทํำกรรมฐานกรรมฐานกันนี่แต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะโ ย, ยมนะมนะี่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันลำบากเหมือนกันนะ ลำบากแต่ว่ามันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากกันแหละอื่มันก็ง่ายอยู่ที่บทีมันยากกันและเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาของเราทุกๆุกคนจะให้เรามีความลำบากจากแค้นอยู่ในความคิดจิตของเรานี่ไม่ใช่อิจฉาไม่ใช่ปไปทํารรมฐานไปมามันหายเลยไม่ใช่เรื่อนั้มันต้องมีความเข้าใจเลยถ้าอะไรที่เรียกว่าของเราอยู่เล้วเขาตัดอะไรก็เจ็บเมื่อนั้น จนปว่เห็นว่าเกีอันนี้ท่นานว่าอันตาถ้าเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวเป็นตนถ้ามีตัวตนอันนั้นก็เป็นของของตนอะไรอะไรของตนตงนั้นพอมันมีตัวตนอย่างนี้พ่อเคยพูดว่าไอ้ธรรมะนิาฟังข์ก็ไปชัดชัดแล้วมันใจมันถอยนพะ่อเราสร้างเอาเปตัวตนทั้งนั้นตัวนี้อันนี้ของฉันนั้นมันของฉันนี่นี่นะ อันเนี่ยลูกฉันนั่นสมบัติของฉันนี่น่ะแตจพระธรรมเทศในฝั่งอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะท่านพูดตามความจริงในฝั่งจริงๆไม่เข้าใจเมื่อกีโกรธแต่พระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแล้วแต่มาพูดว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนี่ยอ่อนใจแต่ไม่รู้จะทําไปอะไรเ น, นี่นี่เราคิดใหม่อี คิดใหม่อีกคิดใหม่คิดใหม่มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่ในนี้เราทําไมมันจึงงัดเนจจิตใจได้ออกไปได้ทำไมมันหลงติดแน่นอยู่ในนั้นแหละพี่พูดกันง่ายว่าเมื่อไอคําสอนของพระสิทธิสุดเนี่ยเพื่อจะมาให้มีทุกไม่ทุกเกิดขึ้นมาพูดได้ทางในความเห็นนี่ยสําคัญเหมือนไหมทําลายอัตตาก่อนนี้ แต่คนเราไม่ค่อยชอบใจไอ้นั้นแต่พระพุทธองค์ท่านหมายว่าไอ้โลกเยู่มันเป็นทุกข์ท่านไม่ตัดไม่อยากให้เกิดแต่ท่านว่าไม่อยากให้เกิดเดีดวยวเราก็ไม่พอใจเลนะใช่ไหเมื่อเนี่ยไม่อยากให้เกิดเกิดไปมันทุนกข์ทุกข์ไห ม, ไหมหล่ะโยมเมืม่อเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีพ่อไหมตาก็มีหงส์ก็มีจมูกก็มีอะไรวุ่นวายหลายอย่าง ติ่ะมันมีทั้งหมดอมันเพราะความเกิดที่มันเป็นทุกข์ถ้าพูดตรงธรรมาตัดพบตัดชาติที่ยา่มันเกิดได้นอ่ะยา่เกิดมาได้มันมันเป็นทุกข์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมขอเถิดนะอยากงนี้ไปเลยขออยู่นี่แหละมันวุ่นวายเลยเกิดอารมณ์นะถ้าพูดตามธรรมะจริงๆคนจะต้องนึกถึงธรรมะจริงๆมันจึเห็นธรรมะอย่างนี้คือเท่ะไรที่มันไม่เที่ยงเราจะให้มันเที่ยง อันนี้ไม่ใช่ของเราอย่าให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้เอออย่างนี้ที่พระพุทธองค์จะตัดไปถึงที่สุดแล้วจะให้เราจะพ้นจากทุกข์นั่มันทำยากที่นี่ผู้ที่ก็จะปฏิบัติมัอ น, นพนพุกอย่างพระอดีตเจ้าของเราเนี่ยถ้าก็คนเราเห็นถึกวันนีผมจะสงสัยว่าเป็นโรคประสาทใช่ครับ อะไรเราลักเราชอบท่านหนไม่ใจของเราท่านตรงนี้คนเป็นประสาตจะมั้งไม่รู้ว่าใครเป็นประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอะิรการไปการมาการพูดการจาการกระทําของท่านก็ไม่เหมือนกับคนทีิงีปัญหาแล้วก็ดูไม่ออกใช่ไหท่าไอแข้งทองแท่งนี่ยท่ามาเป็นดินเราไปเป็นแท่งทองเนี่ย ขามันเสียไปเราล่องให้มันเดย์ทามันก้อนดินก้อนหนึ่งจะกระเทียมทิ้งออกไปนี่มันเป็นบุญแต่ว่าเราว่ามันเป็นทองมันไปกันในรูปนี้ถ้าหากกไปเทียไอ้ไอ้ก้อนทองมันทิ้งเราเห็นว่าคนนี้เป็นดุกษาตริยมั้งเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นออืการการปฏิบัตินี้อาตมาเอาเอาจฉพาะเพียงว่ามันเป็นสีเราทำใก่ปอดนะเสื่องสินธรรมนี้ถ้ามันโกรธมาให้โอดไป อย่าปล่อยตามใจมันเลยมันอยากขึ้นมามากแต่ทำปล่อยมันในน้อยลงให้พอประมาณอย่าปล่อยตามความอยากมันเลยอะไรอย่าไปปล่อยมันเต็มที่มันแค่ปล่อยเต็มที่โลกแตกไปนี่ให้อดไว้สั้ไว้มันโมโหวไเ้ี้ยอย่าปล่อยเต็มที่ของมันมันไม่สบายใจจะปล่อยให้เต็มที่ของมันเลยให้มีปพียรทําไว้คราวนี้ก็เดี๋ยวมันพอทั้งควรอยู่ได้ละเราแต่เราให้ทําสมาธิในมือดีๆไปนเหิทชัดต่อไป มันค่อยจะดีขึ้นดีขึ้ น, นไม่ใช่มาพุกพับพุพกพับเอาเลยแค่มาหนี้สิเนเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยเโยกไปที่เอ้าอือใครจะได้กลับไปกรุงเทพบ้างเนี่ยมีอะไรมเ<อ>ดยกมีกำไรรด้ขาดทุนได้ อ, อยู่ทุนเนี่ <c oughs> ไไนยได้กำไรเยอันนั้นก็ดูเอาเองหลงพอถามห็อกนี้จากเลยเนาะ <c oughs> นนนไอ้ความจริงที่จะมาอย่างนี้มันจะดีนะมันดี มันละกิเลสอย่างหนึ่งได้ดันยกาออกจากบ้านมาอยู่ยนี่มันจะมองเห็นสภาพหลา ย, ลายอย่างความรู้สึกคิดมันจะรู้อะไรหลายอย่างไอ้นคนที่อยู่กับที่จะเกินไปซะก็ไม่ดูเหนือน้นใต้ของเขาเนาี่คนบาปทุกปีเก็ควรา ม, มาอย่างนี้เี่ยไปถลรมกันนะไปถล่มบนพระมีถล่มโยมมันแต่รถบิ้งมันมาพูดแค่นี้แหละแล้วก็ ใครมีปัญหาอะไรก็เรียนถามเด่นอยมีพูดร้ายไม่ได้เด่นเขาไม่ให้พูดหลายแค่น้วอาศัยเขาอยู่มีไหมอะไร Anybody questions? ไหมมีปัญหา เขาถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคนนี้ทำทำอาจารย์ไปเลยอืถามเรื่องประวัติอาจารย์คือเขาทำท่านอาจารย์เองเกิดความสนใจในธรรมนิสตั้งแต่มูรายและเพิ่งเกิดความสนใจอตอนเป็นแดกฤตหรือยังไงเกิดขึ้นประวัติฟ้า่ะครับไม่ใชอย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยครับเนี่ย นีสัยสัตใจมีครัวเป็นคนที่สัตว์ในโซงหกัยชอบนีสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมอถึงในแบ่งของกันนะหาเงินมาพ่ห่าเรามาชอบแบ่งเนี่ยชอบน้อยกับาเขาเต็งใจเขาจะไปชอบคนอื่นแบ่งเป็นนี estimate. ่เรวยมาเจ้ตลอดมาด้วยเมื่อธรรมธาตอันนี้มันแก่ขึ้นมาครัมันก็เกิดพิรุณรู้สึกมันคิดอย่าน ในวัดดังนั้นเราคิดอย่างนี้ไปถามเพื่อนเขาไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรื่องมันเป็นมีบากนะครับมันเป็นวิบากของมันเองครับมันเด็เราก็พิจารณามันด้วยมันก็โตของมันได้เลยมันเป็นเหตุในธรรมอย่างนี้มันเป็นเหตุในคิดอย่างนี้แมอแต่เป็นเด็กๆนะเป็นเด็กนะชอบเล่นนะครับถ้าเล่นในเด็กแปลตนชอบชอบอยากเป็นายคนมีดูน้องในหลายคน อาจารย์เลอส็อออบเป็นเด็ก เ, กเป็นงานครับเด็กมันต้องเป็นอู่น้องหมดเครับบางทีก็จะเล่นเด็กๆเกนะืคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระซิพอเด็กๆมาก็ให้มันเป็นโยบุปผาโอ้โหเด็กเนนะีเ่ยถึงเวลาเด็กมั ก, ก็ทีนักขังจรงจริงจงๆริงแต่พอเอาคนใหม่ใหม่จริง เป็นพระวิจัยมันเป็นมาเรื่อยๆมาเสื้อสัตว์ที่สัตว์ He said, but when the children would play different games, like playing house and the stuff the children do, he always wanted to play monk and <laughs> sit up a little higher than that. d a n t to be the type <laughs> <kind> of guy. He said, I would never get into this. He would e t h e m It's i m d to end. <laughs> <laughs> แล้วก็ระาายะหนึ่งอีกระยะโตัึาา้นมาออายุประมาณสัก 15-16 ครับเบือ่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ ค, คิดไปกับเบื่อไปคิดไปคนเดียวไปด่ไม่รู้จะคิดไปไหนมันเป็นอย่างนั้นมาอันนี้ก็หลายปีมืนมันชอบคิดใใจเบือบ่อเบื่อไม่ไม่รู้เันเบื่ออะไรก็ไม่รู้มันครัน ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากไปคนเดียวอยากจะไปอย่างนันไม่รู้เรื่องมันมอยากจะไปอันนี้เป็นญญริยามหนึ่งเราจะ้แม่มาบวชกันนี่มัน็นมีสายแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มานอย่างนั้นนะแต่ว่าอาการมันจะมี่างนี้ตลอดรับเข้าถามต่อไปสําหรทานพระอาจารย์ตอนเพิ่งเข้าปฏิบัติจุดฝึดตนเองเกิดปัญหาอะไรบ้างพระอาจารย์มีปัญหาอะไรเตัวร้าย นา่เขา said ไม่ไม่จบลเลยเขา said ถ้าวเขาทารก็ไม่จบเลยถึงขันี่หนึ่งปัญหาในที่ยิดนี่มันปัญหานี้โคดรไม่จบเลยมากที่สุดอืมมากบางบางวันเนี่ยปฏิบัตินี่ะทุกข์มากแค่นงตัวอืม ค, ครับทุกข์ก็ต้องพอใจทำบางวันอยู่ตามป่าเนี่ย ฝน ต, ตกกระท้างคืนหนึ่งนั่นเปียบคิดถึงชีวิตองเจาะต้องนั่งร้องให้น้ำตาต้องไหล <c oughs> น้ำตามันไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาต้างเสีย ใ, ใจไม่มอกไม่รู้รถอันนี้ให้หยุดไม่หยุด <c oughs> กล้ามากที่จุดใจกล้าคนนะืน <c oughs> กานหนึ่งมันมีนินิตอยู่จินได้ <c oughs> <c oughs> ฝรั uh ่งมาวันต <ain> ้องบอโวมันเจนนิดเดียวครับตง่เป็นเด็กขนาดไม่กี่ีเราเคยไปดูหนังกันครับครับเข้าฉายหนังเคยดูหนังนะครับเป็นเด็ล้วก็ไปนั่งเห็นเห็นเห็นฝรั่งคนนึนั่งยายาโซเดยวยาวนะครับจ้าสลูกนะครับซึ่งเขกว่าสูบยาเนี่ยสูบมีดเหมือนเทเลยไปได้ไปได ตึ้งเลยว่ากระสนเป็นคนยังไงเนามันตัวใหญ่ย่างให่เลยนเนะยังติดตามมนติตใจมาตลอดทุกวันอันนี้มีมีพวกฝรั่งมาเยอะอันนี้มันเป็นอิบอยู่เสมือนอันนี้ไปพูดจะมีโรฟังอ่ะตามตัวขนับยาตัวยาวขนาดตัวอ่งตัวนี้จะเหมือนจะยาว เดีนี้เป็นแฮ่ไทยกำลังมาใช่มันจะมีอีกมากมาอย่เี้ยครับอันนี้มันจะนยิ่อันนี้พูดเป็นเหตุมันเป็นปลาพูดอยู่นะค ร, รับต่อมาพอพอดีเริ่ชูมิโรมาเลยเหมือนชูมิโตลลลลนั่นแหละครับโลลลมโลหญ่นันครับอีกยางเรานั่งเบ่งอนีอ้ <l ittle> พอดิสุนิโทรมาถึงภูบรเวนสระโอริมันเป็นฝรังดลยเราอะเราเห็นมนในหนังเนี่ยเรยกาพูดโทอย่านีม้มันในหนังนันมันเปนอยู่เป็นปจจยครับอันนี้เป็นเป็นวิสัยเ น, นียมันติดมานะปัจจัยอย่านง น, น, นั้นมันจึงมีญาติฝรังมากครับทังโู่ภาษามันติดไปได้ครับแต่พอฝรังยอมมาอยู่ด้วยครับอือเราต้อพยายามยอม ให้เขาดูจักธรรมะตามความพอใจของเราซึ่งเนี่ซึ่งเนี่เขาไม่ไม่รูจัดประเพณีอะไรจะสั่งวันเด็ดคล้องไข่เราก็ไม่ถือเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วยมาเยอะๆมาอันนี้พูดแต่มันเป็นมียายมันมาแน่ๆแต่มันมันไม่จงนเอนี้เยคนี้บอกว่าฟังอาจารย์ยาบวดแล้ว อืถึงเวลามันบวดได้ครับ่อยความับแต่ก็มีความสนใจอยู่เสมอคามําที่ใช้เราจะทําอะไรมีความมีความรักลูกกับพี่เจนาะนมีความเกลียดลูกกับพี่เจนาะยมีความไม่แน่นอน ส, สองอย่างพนะี่เจนียซึ่งกลัวมันเห็นเนี่ยมันก็เกลียดพูดดีสักสักยกหนึ่งก็จบกันนะครับคนไม่ใช่ติดอยู่ใน ในในความสุขในความทุกข์มันเป็นหีที่ดีกว่ากามมีจะกามไหมครับกามนี้พระพุทธเจ้าหรือเปล่าทั้งหลายสอนว่าเหมือนกัญชาเหมือนกัญชงคนที่เนื้อสับครับไหมเนื้อมันเข้าในที่ฟ like ันนะครับใหมครับเจ็บปวดเพิ่มเติมเอาไม้มายิ้มันดอกออมีแหงเลยตายนะนอนลงไปคิดอยากอีแหละอยากเนื้ออ เราเข้็มากินดีเนื้อมันก็ยักกับาไปในชี่กฟันีนกกปวดอีกปวดจะหาไ ม, ามา้มาแย่ไม่ออกที่มันอกอกตัวสบายเลยนี้อไอีกอ่ยัดดี <c oughs> ใช่ไหมไม่มีจัดยังงั้นที่เป็ น, น, นสานนเหตุสำคัญเนขยบมีกรพริบเลนะกามมีขนาดนั่นนะ่ะไม่ไม่ดีกว่า น, นั้นครับพ่อพันนั่นนะที่เขาบอกว่า e a this evening by talking a little bit about desire. He said, and, and, uh, he said because talking about desire was an important part of what the Buddha taught as well. Mm -hmm. He said it's like eating. You eat some delicious uh, meat of some sort, but mm -hmm. the fibers get stuck in your teeth and it hurts and it's uncomfortable. So you get a toothpick or something and you get them out and then you're happy again. And then you think, gee, but it tastes it's so good. And you go and you get some more and you eat it, and o t gets stuck in your teeth and it's painful again, and you have to check it out. Think you're done with it, and then a little while later, oh, gee, but it's so good, and you go and r e a c s for more. And you said, it's really important in practice to begin to understand the process and the e d l e s e m e n t of desire. So. <laughs> ทำงานอย่ันแหละเฮ้วันนี้ดีนะเฮ้